ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับคืนนี้ก็มาปราลุกกันทีเรื่องกรรมประเภทหนึ่งที่ทำให้คนไม่มีลูกเพราะว่ามีคนหลายคนที่จะบอกว่าแต่งงานมาตั้งยี่สิปีบ้างสิบปีเสร็จบ้างหาลูกไม่ได้แล้วก็มีส่วนมาก มาขอร้องขอให้มีลูกอันนี้ธรรมาก็จนใจเพราะว่าท่านขอผิดที่เมื่อการขอให้มีลูกต้องไปขอกับคนที่เคยมีลูกมากๆากาตธมมาชาตินี้เกิดมาไม่มีลูกกับแม่เลยเคยไม่ไม่เคยมีแม่ให้มีลูก ก็เลยไม่ทราบว่าคนที่ก็มีลูกเขามีปฏิปทาแบบไหนจึงมีลูกแล้วไม่สามารถจะให้ใครได้ฉะนั้นขอาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> ที่ท่านเคยมาขอลูกแล้วก็ผิดหวังเว่าท่านที่ไม่มีลูกกําลังจะมาขอให้มีลูกก็โปรดทราบว่าตมาท่านเป็นคนไร้สมรรถภาพในด้านมีลูก แม้แต่แม่ของลูกก็ยังหาไม่ได้ก็เลยไม่รู้ว่าลูกลเขาทํากันยังไงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของโพธิราชกุ ม, มารเนื่นความมีอยู่ว่าในสมัยหนึ่ ง, งรรมมรรพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ในเภสะกาลาวันแม่ชื่อเพราะเภสะกาลา ไอ้กลาเนี่มันอะไรขเขาแปลว่าอย่างไรก็ไม่ทราบไอ้วันเนี่ยป็นเาะป่าหมายความนี้อยู่ในป่าทรงป ร, รบพโพธิราชกุ ม, มารให้เป็นเหตุสมบเด็จพระบรมโลกเชชินทรงตัดเรื่องนี้ในะความตอนตอนน้นมีอยู่ว่าท่านโพทธิราชกุ ม, มารความจริงคนนี้ทราบไปด้วยนาะนปัญญาญ่าโยมพุธบริษัชท์ <c oughs> แลวท่านเพื่อนพิสูจท์ามณเ น, นี่กำลังรับฟังเพราะว่าโพธิราชชู ม, มานนี้เป็นคนใจร้ายมาตั้งแต่ชาติก่อนและในสัยความร้ายของท่านก็ร้ายติดมาตนชาตินี้ท่นเป็นอย่างนั้นเมื่อท่านมาเป็นลูกของกษัตริย์ก็หวังจะสร้างประสัตอยู่เองให้มันสวยสุดงานตามความพอใจ จอเนี่หาช่างมาออกแบบประสาทในเมื่อเป็นที่ชอบใจแล้วก็ไปหาช่างมาทําการก่อสร้าง <c oughs> ช่างคนนี้ก็สร้างเก่งมากสร้างแล้วดูมันว่าประสาทหลังนี้จะลอยอยู่บนอากาศไม่ปักอยู่กับพื้นดินไม่ติดพื้นดินเห็นเป็นมหัศ จ, จันทร์ท่านโพระธิดาจุกรมาย ก, ก็มีความรู้สึกอยากจะทราบ ว่าถ้าประสาสตรหลังนี้ม <c oughs> mm ันเป็นหลังเดียวในโลกจะเป็นของอัศจรรย์มากก็ไม่แน่ใจว่าในช่างคนนี้จะสร้างประสาสตรแบบนี้มากี่หลังแล้วฉะนั้นจึงไปเรียกในช่างมาแล้วก็ถามว่าช่างประศาสตประเภทนี้เธอทำมากี่หลังแล้วหรือว่าทาหลังนี้เป็นหลังแรกในชีวิตของเธอ นชยช่งก็บอกว่าประสาทประเภทที่ทำให้เห็นว่าลอยในอากาศเพิ่งทำเป็นหลังแรกในชีวิตหลังนี้เป็นเป็นหลังแรกท่านโพธิราช จ, จุกมายก็ชมเป็นการให้กำลังใจแล้วก็ให้รางวัลเป็นกรณีพิเศษ <c oughs> แล้วก็บอกว่าตาประสาทหลังนี้แล้วเสร็จเมื่อไราก็บอกด้วยนะความจริงไม่ใช่คิดอยากจะอยู่เร็ว ให่อยากจะฆ่าในช่างด้วยมีความรู้สึกว่าถ้าช่างคนนี้ยังมีชีวิตอยู่เธออาจจะไปสร้างให้คนอื่นหลายๆหลังฉะนั้นบ้านของเราก็เป็นบ้านที่มีความไม่อัศจรรย์ถ้าบังเอิญมีบ้านหลังเดียวที่เราอยู่เราอยู่ชาวโลกเห็นว่าปราสาทหรือบ้านของเรานี้เป็นสิ่งอัศจรรย์มากอันนี้แค่จเจ้าเดียวเด่นของตัว ก็คิดฆ่าเขาจีไม่คิดในใจว่าหนึ่งเราฆ่าช่างนี้ได้ก็ดีปต่การที่สองนี่ว่าตัดมือตัดเท้าของเธอซสียก็ดีเธอทาไม่ได้แต่การที่สามควักลูกตาเสได้ก็ยังดีวงความว่าถ้าไม่ตายก็จะตัดแขนแตัดขาหรือควักลูกตาถ้าควักลูกตาแล้วตาไม่เห็นช่างก็ทํางานไม่ได้ แต่ว่าความลับมันไม่มีในโลกบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านโพธิราชกุมาร น, นี่มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเป็นลูกเจ้าเหมือนกันรักใคร่ชอบพอกันมากเป็นคนรุ่นราวเขาเดียวกันจึงปลารบเรื่องนี้กับราชกุมารองนั้น <c oughs> ราชกุมารองนั้นฟังแล้วก็ตกใจคิดว่าโพธิราชนี่ไม่น่าจะเลวซามขนาดนี้ ของดีมันไม่มีที่สุดในโลกโลกในหาที่สุดไม่ได้ช่างคนนี้ว่าดีอาจจะมีช่างคนอื่นดีไปกว่านี้ก็ได้วันหนึ่งถึงนปลอดคนจึงเรียกช่างมากระซิบว่าว่าบอกว่าถามว่าเวลานี้เธอทำประรสราทหลังนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังช่างก็กราบถูนให้ทราบว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วพระเจ้าค่ะ ท่านพระราลกุมารอง์นั้นก็บอกว่าที่หลังจําไว้นะถ้าโพธิราชกุมารมาถามว่าศาสตร์หลังนี้เสร็จแล้วอย่างเธอบอกว่ายังไม่เสร็จนะเพราะว่าถ้าบอกว่าเสร็จแล้วเมื่อไรเธอจะตายจะบอกความเป็นมาที่โพธิราชกุมารปรกกับพระองค์ทราบในช่างเมื่อทราบแล้วก็ระงับเป็นความลับ หลังจากนั้นมาเมื่อโพธิ์ทิชกทิราชกุมารมาถามก็กลับเปลี่ยนให้ทราบว่ายังไม่เสร็จพระเจ้าค่ะส่วนใหญ่หน้าเสร็จแล้วแต่ส่วนที่มีความสําคัญมากจริงๆยังไม่เสร็จถ้าส่วนนี้เสร็จประสาทนี้จะเห็นเป็นมหศสจิจั์มากเขาจะเห็นรอยเด่นนาอากาศจะเป็นของธรรมดาธรรมดา แต่สิ่งมหัศจรรย์เป็นนิมิตอัศจรรย์จะมียิ่งไปกว่านั้นแต่สิ่งนั้นจะไปยังไงข้าพระเจ้ายังยังไม่กราบทูลก่อนในเมื่อเสร็จแล้วพระองค์จะทรงทราบเองว่าเป็นของมหัศจรรย์ที่สุดแต่ว่าสิ่งที่จะทําทต่อไปนี้ต้นใช้ไม้มีความเบามากแต่ก็ไม่มีแก่นเป็นไม้ที่แห้งสนิทขอพระองค์ได้ทรงโปรดสั่งให้บุคคลหามาให้ด้วยพระเจ้าค่า เป็นอนันว่าพราะพระท่านโพธิราชก็หลงกลสร้งให้คนใชท้ที่คนที่หาไม้แห้งสนิทมาแล้วก็เป็นไม้ที่มไม่มีแก่นมีความเบาสูงอเอามามอบให้กับนายช่างนายช่างก็กราบทูลว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจึงกว่าข้าพเจ้าจะกราบทูลในสาารสา้าบวิปัสสนาหลังนี้เสร็จ พขอพระองค์จงอย่าให้ใครเข้ามาในที่นี้ถึงแม้แต่พระองค์เองก็เช่นเดียวกันจงอย่ามาในที่นี้เพราะว่าเข้าพระเจ้าจะต้องทําในห้องเงยือกเงียบเพราะเป็นสิ่งมาสจารัญละเอียดระออมมากถ้ามีคนเดินผ่านไปผ่ามาปราสาทจะไหวตัวความคิดเจริงเลื่อนผลจะไม่เป็นไปตามนั้นเพราะหลังนี้ตั้งใจให้สร้างเป็นของมาสจารั์จรงิจรงๆ เดิส่งคนที่จะเข้าออกได้ก็คอยเป็นพัญญาเข้าพระเจ้าองค์เดียวเป็นคนส่งอาหาร <c oughs> ท่านโพดีราชกุมารหลงกลก็ปฏิบัติตนตามนั้นนายช่างก็เข้าไปในทําห้องห้องหนึ่งเป็นห้องรับทำนกยนหมายว่านกอะไรก็นกพยนตก็หมายว่าทำเป็นรูปนกขึ้นมา บรรจุคนนั่งได้ประมาณทักสิคนพร้อมทัทพสัมภระพคนเมื่อทาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สั่งพัญญาว่าวันนี้กลับไปแล้วของอะไรที่มีอยู่พอจะขายได้ให้ขายให้หมดนำเงินติดตัวไว้แล้วก็วันพรุ่งนี้นาทรัพย์สมบัติคือเงินทองที่พอติดตัวไปได้ที่มีอยู่มาด้วย เอาลูกของเรามาด้วยแล้วมาเงียบๆไม่ต้องบอกใครในการขายบ้านขายช่องก็ไม่ต้องบอกใครว่าเรื่องอะไรเมื่อนางทําแบบนั้นแล้วในตอนเช้ากินข้าวเสร็จก็เอาลูกกับพัญญาเข้าไปนั่งในท้องในท้องนกนกพยนทรับสมบัติพอควรใส่นั้นพอไปได้ก็เข้านกพยนต์ ขึ้นขี่นกพยนต์ขับออกทางหน้าต่างบินไปไป่ปาย่ะพันในที่สุดในช่างองนั้นก็เป็นพระราชาในเมืองนั้นซึ่งเวลานั้นคนมันน้อยคนที่มีปัญญา ม, มากก็ไม่จะได้เป็นผู้ปกครองประเทศประเทศเล็กๆเพราะนั่นว่าเจ้าหนะ้าที่เห็นในช่างหนีไปเรื่องนี้ก็หมดกันไปพระธิดาจักรมานก็ฆ่าเขาไม่ได้ มาในตอนหนึ่งท่านโพธิราชภูมานำริในใจว่าเราแต่งงานมาหลายปีกับพัญญาคนนี้อาจจะมีพัญญาหลายคนก็ได้แต่ก็ไม่เคยมีลูกกับเขาต้องการจะหาลูกเสืบอปตระกูลจึงให้คนเมรัตนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาจากพระเวทตาป่ามาหาวันนั้น แล้วก็สั่งให้คนปูผ้าขาวจากประตูวังถึงประตูกำแพงถึงประตูวังขอโทษจากประตูวังที่ประทับมาถึงกำแพงวังทางเข้ากำแพงตั้แต่หน้าประตูก็ไปเจ็บบ้านยลยแล้วกันเวลาที่ให้ในให้เจอคนใช้ปูผ้าขาวนึกในใจ ว่าถ้าเราจะมีลูกหญิงหรือว่าลูกชายขอยองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนดาเดินบนพระขาวกับพระสงฆ์ถ้าเราจะไม่ได้ลูกขอพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์จงอย่าเดินบนพระขาวเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำพระสงฆ์ม า, ม า, ม า, มาถึงประตูกำแพงวังก็ทรงหยุดยืนไม่ก้าวต่อไป ท่านโพธิราชกุาามารก็รัตนาองค์สมเด็จไปจอมใ่คอยเดินบนภูเขาสมเด็จพระสัมมาทัมมตย์เจ้าก็ไมาเดินมองดูพระอานุ์พระอนุนนั้นเป็นพระที่ฉลาดมากแค่องค์สมเด็จพระผู้มีพระผ้าเจ้ า, ามองหน้าก็เข้าใจจึงได้ตัดกับพระเจ้าโพธิราชทุกมุมารว่าคอยรื้อผ้าขาวออก สมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้าจะไม่ทรงเดินบนผ้าขาวท่านโพธิราช ก, กุ ม, มาร ก, ก็สั่งให้คนรื้อผ้าขาวออกมาแล้วก็รัตนาองค์สมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้าให้สเสด็จไปสู่พระราชฐานเมื่อไปถึงนมัติการแล้วนัทเทวายอังคาาคืออาหารแกองค์สมเด็จพระปฏิบข์แก้วและบรรดาพระสงฆ์สาวกทั้งหมดเสร็จ ตอนที่พระพุทธเจ้าจะโมทนาท่านโพธิราชกะมารยังเข้าไปกราบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> กราบทูลว่าข้า พ, พุทธเจ้าทรงกัณฑวะพระองค์สามาระวาระแรกขณะที่อยู่ในคันมันดาก็ถวายบังคมไหว้พระพุทธเจ้าครั้งหนึ่งอันนี้สงสัยไม่กัน เวลาที่ทนไหว้พระเจ้าในท้องนะใครจะมองเห็นแต่เข้าใจว่าโพธิราชกชุ ม, มารอาจจะรักชาติได้สักหนึ่งชาติจิงกบทูลองค์สมเด็จพระบรมโลกระหนาดครั้งที่หนึ่งไหว้พระองค์มาตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วครั้งที่สองเมื่อคราวเป็นรุ่นลุ่มก็ได้ไหว้ร น, นมรด ก, การอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็ถวายน้ำประดิษารเวลานี้ครั้งหนึ่งอยากจะทราบว่าเพราะเหตุใดองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงไม่ทรงสมเด็จพระพุทธดําเนินบนพระเขาที่ข้าพระเจ้าผู้รับสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้มีพระพุทธฎิการตัดแทมว่าพระธิราชกุ ม, มารแต่ฐานข้อยากจะทราบว่าก่อนที่พระองค์ จะปูผ้าขาวให้คนให้อัตถากตเดินขณะที่สั่งให้คนปูในคิดอะไรพ <c oughs> ห้โพธิราชจุกรมาย ก, ก็จัดตามความเป็นจริงว่าข้าพเจ้าคิดอย่างนี้ด้วยว่าข้าพเจ้าไม่มีบทแต่งงานมาหลายปีแล้วหาลูกกับเขาไม่ได้เกรงว่าจะไม่มีลูกเสียแต่กูล จญิงตัดสินใจตั้งใจอธิษฐานว่าถ้าจะได้ลูกหญิงก็ดีจะได้ลูกชายก็ดีขอสมเด็จพระจินสีทรงสมเด็จพระพุทธดําเนินบนพภพขาวถ้าหักว่าจะไม่ได้ลูกขอองค์สมเด็จพระสัมมาวุฒิเจ้าจงไม่เดินบนพภพขาวแล้วผู้มีพระพเจ้าจึงได้มีพระพุทธฎีกาตัดว่าราชกุ ม, มาร เพราะเหตุนั้นแตถาคตรจรึงไม่เดินบนพระขาวท่าก็เลยถามว่าเป็นเพราะอะไรพระเจ้าค่ะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้มีพระพุทธฎิการถึว่าพระราโชมานการที่พระองค์จะไม่มีโลกคราวนี้ก็เพราะว่าพระองค์เป็นคนมีใจร้ายทําลายความดีของสัตว์ ในสมัยก่อนเขาย่งกราบทูลขอองค์สมเด็จพระชินาวนสนรส ร, รงตรัดแต่ก็ต้องตรัสว่าในสมัยก่อนจากชาตินี้ก็เรียกว่าไม่ได้บอกชาติปราชาติไหนมีคณะบุคคลคณะหนึ่งไปค่าสัมผ่าและลงสัมผ่าไปในมหาสมุทร ท่านก็บอกว่าไม่ค่าคนนับร้อยนี่คนเป็นร้อยร้อยนี่ต้องไม่เจคจาแล้วอาจจะไปเที่ยวซ้ำเผากันเวลานั้นปรากฏมีลมโหมดวนในคำว่าลมโหมดุนนี่มันเป็นลมที่มีความแรงมากเกิดขึ้นในมหาสมุทรเรือต้านกำลังลมไม่ไหวขึ้นแรงจัดเลยก็ะลมซ้ำเผาก็แตก คนนั้งหลายต่างก็ว่ายน้ําหนีความตายแต่อย่าลืมว่ามาหาสมุทรมันไม่เล็กหนีไปเท่าไรก็ตายเท่านั้นถ้าไม่พบเกาะไม่พบแก่งไม่พบอ่าไม่พบชูชีพเป็นที่อาศัยแล้วสามีพัญญาสองคนสามีคนหนึ่งพัญญาคนหนึ่งที่ไปในเรือนั้นได้ไม้กระดานที่หลุดออกมาจากเรือหนึ่งแผ่น ต่างคนก็ต่างเกาะปล่อยตัวให้ลอยตามกระแสขึ้นไปในที่สุดขึ้นก็ซักคนสองคนเข้าไปใกล้กเกาะแห่งหนึ่งคนสองคนนั้นขึ้นอาศัยอยู่บนเกาะตามธรรมดาคนบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านคนก็ดีสักก็ดีจะมีชีวิตอยู่ได้เพราะอาหารดังนั้นสองคนนี้นั้นมีความหิวเกิดขึ้น หมออหายมันก็ไม่มีไม่ขีดก็ไม่มีมนมมี่ไม่รู้จะกินอะไรดีก็เลยมองไปมองมาเห็นนกมันมีมากบนเกาะ น, นั้นก็ไม่มีคนไปถึงไอ้นกก็เลยไม่ค่อยจะกลัวคนคนเดิกนกาไปใกล้นกก็ทำเฉยๆพราะไ ม, ม่เคยอันตรายจากคนเลยไม่รู้จักพยาแมาจุราช เธอตอนสองก็เอาไข่นกเข้ามากินก่อนเพื่อเป็นการประทังความหิวกินไปกินมาหลายวันเข้าไข่นกก็หมดต่อมาเมื่อไข่นกหมดความหิวมก็ยังไม่หมดวันต่อมาหิวมไม่ไรู้ทำงไงก็จับลูกนกเล็กๆมากินอีกเมื่อกินลูกนกหมด มันก็ยังไม่หมดความหิวชีวิตยังมีอยู่ก็กินพ่อนกแม่นกสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสว่าโพธิราชกุมารถ้าเธอไม่เว้นกรรมชั่วทั้งสามวัยวัยต้นคือไขไวัยกลางคือลูกนกวัยสุดท้ายคือพ่อนก แ, แม่นกฉะนั้นเธอจึงจะไม่มีโอกาสมีลูก ในวัยหนุ่มก็ดีในวัยกลางคนก็ดีในวัยแก่ก็ดีหาลูกไม่ได้แน่ชาตินี้เวลาชาตินี้ทั้งชาติเธอจะต้องไม่มีลูกแต่พูดมาถึงตอนนี้ก็คิดถึงบรรดาเจ้าพุทธบริษัทเวลานี้โภช น, นากรและโภชนากรอนอะก็เขาไม่ทราบคือว่าพวกที่แนะนําเรื่องการกินก็แล้วกัน อห้โพชนะโพชนะังเลยมันขี้เกียจหนึ่งม่นก็แปลว่ากินที่เป็นภาษาแขกภาษาแขกแต่มาไม่ค่อยอยากพูดเรียนเหมือนกันเพราะเป็นคนไทยเราพูดกับภาษาไทยดีกว่าแล้วพวกที่กรรมการการกินไม่จะแนะนำอาหารอย่างนั้นดีเนื้อสัตว์ประเภทนี้ดีผักะนั้นดีไข่ดีดดล่อ ก, กันจีปาทะ ตอนนี้แนะนํำไข่กันมากไข่ก็ถูกกว่าน้ำอย่างอื่นก็เลยสงสัยว่าคนกินไข่สมัยนี้เกิดไปชาติหน้าสมัยที่เป็นนมเป็นสาวคงไม่มีลูกพราะโพธิราชโฉมานพระเจา้าสั่ว่าถ้าเธอเว้นไม่กินไข่เธอก็จะมีลูกว่ายังเป็นนมเป็นสาวพระธมวัยแต่ว่าเธอกินไข่ แต่ว่าเธอเว้นไม่กินลูกนกเธอก็จะมีลูกในวัยกลางคนถ้าเธอกินทั้งไข่กินทั้งลูกนกไม่กินพ่อนกไม่นกเธอก็จะมีลูกมาวัยแก่แต่ว่านี่เธอกินหมดทั้งสามวัยเป็นนว่าชานี้ทั้งชาติเธอจะหาลูกไม่ได้นี่ก็มันดาญยยาโยงพุทธบริษัทหลายที่หาลูกไม่พบ ทำยังไงยังไงก็ควานหาลูกไปได้โปรดทราบว่ากรรมของท่านกับกรรมของโพธิราชกุมารจะมีสภาพคล้ายคลึงกันแต่เวลานี้คนกินไขมากต่อไปคนหนุ่มคนสาวไม่มีลูกสบายมากถ้ายังไม่ถึงวัยกลงคนไม่ต้องห่วงว่าจะมีลูกไม่ต้องใช้ยาคุณกำเนิดไม่แจ้งตั้งใช้ถุงไม่ต้องผูกไม่มีลูกแน่ พ่อได้กินไข่ด่ถ้าใครกินลูกนกลูกไก่ลู ก, ก, ลกเป็ดบ้างก็เพิงทราบาว่าวัยกลางคนไม่มีลูกอีกใครกินพ่อนกแม่นกพ่อเป็ดพ่อไก่แม่เป็ดแม่แมไก่บ้างเกิดไปชาติหน้าตอนวัยแก่ก็ยังไม่มีลูกสบายมากอุดตังคีเวพระพุทธเจ้าทรงตรัสพระวองลูกโคขอ ถ้าเราไม่มีลูกแล้วก็มีความสุขไม่ต้องหนักใจการมีลูกดีหรือไม่ดีก็ต้องตอบว่าสุดแลแต่กฎข้องก ร, รมถ้าลูกมาจากเทว ด, ดาหรือลูกมาจากพรหมแล้วพ่อกับแม่มาจากเทว ด, ดาหรือมาจากพรหมก็พูดกันรู้เรื่อง เป็นนั้นว่ามีลูกถ้าแม้่ามีทุกข์จากการเลี้ยงดูให้การศึกษาให้การแนะนำจับจ่ายใช้สินมากขึ้นแ้่ก็มีความสุขเพราะลูกดีแต่ทั้งนี้ก็ต้องพ่อดีแม่ดีว่าพ่อกับแม่มาจากเทวดาท่านผมถ้าลูกมาจากอบายภูมิก็ต้องน้ำตาตกตลอดชาติ เอาดีไม่ได้แก้ไขไม่ได้เพราะพวกสัตว์นรกเป็นคนที่ไม่มีเหตุไม่มีผลเขาไม่มีความดีพอที่จะส่งความดีไปได้สิ่งใดที่คนดีเข้าใจว่าดีสิ่งนั้นพวกนี้จเห็นว่าไม่ดีแล้วสิ่งใดที่ชาวโลกเห็นว่าเลวเป็นการเบียดเบียนสิ่งกันลกันพวกนี้จะมีความเข้าใจว่าดี นี่ในบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านการมีลูกจะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่กฎของกรรมเมื่อคนเราจะมีลูกแล้วไม่มีลกูกที่สงสัยกันมากว่าทำไมจึงไม่มีลกูกแต่ความจริงข้าคู่ตัวพอเมียและพนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ไม่ได้ขาดคุณสมบัติที่จะสร้างลูกให้เกิด และสมรรถภาพก็ดีอาจจะดีกว่าคนที่มีลูกมากสิอีกแต่ก็ไม่สามารถจะสร้างลูกทำไมเกิดขึ้นมาได้ท่านจึงมีความแปลกใจว่าทำไมจึงไม่มีลูกก็โปรดทราบตามเรื่องนี้มองดูเวลาก็ใกล้จะจบตอนนิทานกันไปท่า น, นหลายคงจะจำได้ว่าองค์สมเด็จ พ, พ, พระจอมไตรผู้ก่อพระศาสนาพุทธ เวลานี้ร่างกายของพระองค์ก็พังแล้วพระองค์เองก็ปล่อยพนันธิานการไปนิพพานไม่ได้ร่างกายไปด้วยเอาความดีเกาะอาทิตสมาในกายไปท่านโพธิราชกุ ม, มัยก็ดีพระสงฆ์ท่านหลายเวลานั่นก็ดีเวลานี้ไม่เหลือแล้วท่านบุกฟังท่าคิดว่าร่างกายของท่านจะอยู่ตลอดการตลอดสมัยไหมถ้าคิดอย่างนั้นพลาดท่ามาก จงคิดว่ายังไงไงเราก็ต้องตายความตายอาจจะมาถึงเราในวันนี้คิดไว้เสมอตายคราวนี้เราไม่ยอมไปอบายภูมิที่เราจะเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์โดยปัญญาเพื่อความมั่นคงของความเคารพและจะทรงสินให้บริสุทธิ์คารวาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างต่ำก็สินห้า ถ้ามันเนนสินสิบพระศินสองรอยีาา่สิบเจ็ดแค่ว่าจะสินแปดได้ก็ดีประเด็นของท่านแค่สินห้าก็พอในกําลังใจคิดว่าถ้าตายเมื่อไหร่ขึ้นชื่อว่าการเกิดเป็นนกก็ดีเป็นเทวดาก็ ด, เ ด, กดีเป็นพรมก็ดีเป็นแดนเต็มไปด้วยความทุกข์เราไม่ต้องการสามแดนนี้จุดที่เราต้องการจุดเดียวคือนิพพานในกําลังใจของทุกท่านทรงอย่างนี้แล้วก็จะตัดบาปอกุปสรรคเก่าๆทั้งหมด ส่วนที่เหลือคือเสือเหลือได้บุญกุศลจะนำตนไปสู่สุคติยังต่ำสวรรค์ยังกลางรูมโลกจิตสะอาดที่สุดปานิพานกันแน่ชาตินี้เมื่อเวลาบอกหมดแล้วก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิพิพัฒนะางคลสมบูรณ์ผลผลขวัญดาเต็มพุทธาศาสนิกชนผู้รับฟังจงหลับฝิตฝันดีด้วยกันทุกคนสวัสดี